เจ้าเจ้าอย่างนี้ก็คกาดว่าพระกุณเจ้ารวมทั้งลูกเนุบาศกอุบาจิกาที่มาประพฤติธรรมมาประกอบคุณงามความดีเจ้าเ้าอย่างนี้ เรามีโ อ, อกาสแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจตั้งสติตัดความง่วงเหงาเหานอนเพราะสภาวะจิตของเรายังไม่เกิดความสับสนและวุ่นวาย จึงเหมาะในการบำเพ็ญเพียรหรือเหมาะในการตั้งสติในการประพฤติวัดในการปฏิบัติอยู่ในองค์ภาวนาสติก็คือความรู้ตัวเช้าๆอย่างนี้เราตัดความง่วงออกมีความรู้สึกตัวเองว่า เรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่อยู่ในองค์ภาวนาหายใจเข้าพูดพุดแปลว่าผู้รู้ก็คือเป็นผู้มีสติรู้ตัวหายใจเข้าออกโทโทแปลว่าเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อเรามีสติรู้ตัวแล้วเราก็ทำจิตใจของเราเนี่ยให้แช่มชื่นก็คือยิ้มเขะวะเมื่อใจเราเนี่ยมีความแช่มชื่นใจเราก็พิจารณาสติมีความรู้ตัวรู้ใจของเราทำใจของเราเนี่ยให้สะอาดปราศจากความมัวหมองในใจ ก็คือความว้าวุ่นใจนั่นเองความว้าวุ่นใจก็เกิดจากความคิดการปรุงแต่งการนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนาน า, นาจากสภาวะของรูปรสกลิ่นเสียงผลตัปพะรูปก็คือเป็นสัญลักษณ์คำว่าสัญลักษณ์ก็คือสัญญานั่นเอง สัญญาแห่งความเป็นรูปนามของสภาพแห่งกรรมของสภาพแห่งกรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นที่จะต้องเป็นสิ่งเครื่องพันธนาการมาเกี่ยวดองแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสันดานเราโดยตรงทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าสัญญาก็คือสัญญาแห่งความเป็นกรรม ที่มาเกี่ยวดองเกี่ยวเนื่องเรียกว่าสันดานสันดานก็คืออุปนิสัยเดิมเดิมที่เราก่อนที่จะมาจุดติก็คือความเป็นมนุษย์เราจะต้องทากรรมชั่วกรรมหยาบกรรมดีกรรมดีก็คือทําให้เราเนี่ยนึกดีคิดดีเรียกว่าบวก ในสมัยนี้กรรมชั่วกรรมยาบก็ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์เรียกว่าลบวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เราเป็นมนุษย์โดยเฉพาะในขณะนี้เนี่ยเราเป็นสมณะสมณะเพศก็คือระจักเพศคารวาะ มาเป็นเพศของสมณะก็คือเป็นนักบวชนักบวชเนี่ยเราก็จะต้องรักษาศีลศีลก็คือความสำรวมทางกายในขณะที่เร า, าเป็นเพศของคาราวาสเราจะเต้นจะร้องราทำเพลงฟังเพลงดูละครขนหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องของปกติของมนุษย์ ที่เกิดมาเขาก็เป็นกันอย่างนี้เรียกว่าสัญส ญ, ญาลักษ์คือสัญญากรรมแห่งของความเป็นคลราวาสก็คือความหมกมุ่นนั่นเองสัญญาคือความหมกมุ่นในสิ่งที่เรายินดีพอใจเรียกว่าสัญญาก็คือความผูกมัดมันมีสัญญาความเกี่ยวเนื่องหมักดองในจิตในสันดานที่ยินดีต่อความรัก ความโรภความโกรธความหลงเรียกว่ากิเลสกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสัญญาเกี่ยวเนื่องเป็นพันธนาการทำให้เราจึงต้องเกิดเป็นรูปนามแห่งกรรมตามสภาพของกรรมเรียกว่าสัญญลักษณ์สัญญลักษณ์ก็หมายถึงว่าคือสัญญานั่นเองสัญญาหมดแห่งความเป็นมนุษย์ ก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าสัตว์นรกสัตว์นี่มันอยู่ที่สะอาดไม่เป็นเพราะว่ามันอาบน้ำเองก็ไม่ได้ถูตัวเองก็ไม่ได้สัญลักษณ์ของสัตว์ต่างต่างเป็นสภาพแห่งกรรมเป็นสภาพแห่งรูปนามของสัตว์ต่างต่างเช่นช้างก็มีงวมีงา เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นรูปรูปก็คือลักษณะของช้างเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายก็นึกถึงรูปช้างไปที่เราเคยพบเคยเห็นสัญญาคือความรู้หมายจำพอหลวงพ่อพูดถึงรูปช้างเนี่ยเราก็นึก เข้ามาในใจเลยเห็นตัวช้างเข้ามาในใจในจิตได้สํานึกเรียกว่าสัญญาแห่งความนึกคิดเป็นรูปเป็นภาพเป็นความคิดเห็นกระจังเห็นกระจ่า ง, างของสัญญาแห่งความเคยเจอะเคยเจอช้างก็มีสัญญาเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนก็มีเสียง เป็นสัญญาว่าช้างก็คือร้องเป๊บนะเรียกว่าช้างม้าก็มีสัญญาแห่งความเป็นรูปลักษณะของมา้านะเรียกว่าสัตว์นรกเป็นรูปนามแห่งสัตว์ต่างๆม้าก็ร้อง ฮ, ฮ, ฮิเรียกว่ามา้านะหางเป็นพวงจะมีแผงคอมีผมมา จะมีลักษณะาคล้ายๆตัวเล็ ก, กว่าชา้างนะเมื่อเราอธิบายลักษณะรูปนามจิตของเราก็ปรุงแต่งที่เราเคยเห็นรูปมาในวัดเขาอิติสุกโตมีทั้งช้างและมาเราก็สามารถนึกคิดเป็นรูป เป็นนามเป็นลนะักษณะเรียกว่าสัญญาสัญญาอันนี้เราเห็นถ้ามันเป็นธรรมดาปุตุชนคนธรรมดาตามองแล้วคิดว่านี่คือช้างนี่คือมา้ามันเป็นสัญญาะสั ญ, ญลักษณ์แห่งรูปนามแห่งกรรมนักปฏิบัติทั้งหลายท่านรู้แล้วไหมว่า รูปนามลักษณะของสัตว์นรกช้างเนี่ยก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่มีรูปนามที่เรียกว่าช้างช้างที่ทำกรรมใหญ่ไว้จะต้องกากกรรมตัวใหญ่นะให้มองเห็นนะระหว่างช้างกับมดเนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันใหญ่กันกี่เท่าทำไมเขาจึงเปรียบว่า เห็นหมดตัวเท่าช้างเห็นช้างตัวเท่ามดเขาว่าอย่างนั้นอยากจะบอกนักปฏิบัติทั้งหลายให้กับพระคุณเจ้าว่าสัญญาคือความรู้หมายจำในรูปนามในสิ่งนั้นๆที่เรามองเห็นและมีสั ญ, ญลักษณ์ก็คือเสียงที่เราได้ยิน ช้างมาแล้วก็วัวลักษณะวัวก็คืออยู่หลังวัดเราเมื่อเรานึกถึงภาพวัวปุ๊บก็จะเห็นหน้าตาวัวเนี่ยมีเขามีตามีหูมีจมูกมีริ้นมีฟันแต่เป็นลักษณะคล้ายๆม้าแต่มีลักษณะม้าไม่มีเขาวัวมีเขาช้างไม่มีเขาดันมีงา เป็นลักษณะรูปนามแห่งสัตว์ที่เราเห็นเมื่อเราเห็นทางตาเรียกว่าสัญลักษณ์ก็คือสัญญาแห่งตาก็คือเห็นรูปเห็นนามลักษณะรูปนามที่แตกต่างกันตามสภาพหรือตามสภาวะกรรมนั่นเองที่มันเกิดขึ้น เมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเราก็เห็นเสียงเสียงก็คือทางหูตอกี้นี้เราเห็นทางตาแล้วมันนึกถึงมโนมโนก็คือทางจิตจิตก็คือทางใจที่เรามองเห็นเมื่อตาเราหลับอยู่ในขณะนี้เราก็นึกเข้ามาในตาตาในก็คือจิตจิตก็สัมผัสรูปนามเห็นลักษณะเรียกว่า ลักษณะนามก็คือรูปของสัตว์ น, นันนันคาดว่าพระคุณเจ้ารวมทั้งนักปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจเมื่อเห็นช้างมาวัวควายควายก็อยู่ที่วัดใหญ่ใครกิลีก็คือวัดป่าควายก็ลักษณะตัวเราก็นึกอีก นึกเห็นควายว่ามันมีเขามันมีตามีหูมีลักษณะเป็นรูปลักษณะรูปของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาคือความพบเห็นทางตา ม, มาแล้วแต่ในขณะนี้เราหลับตาเราก็นึกเข้ามาในใจเรียกว่าจิตเข้าไปสัมผัสในรูปในนามก็ นึกถึงภาพเรียกว่ามโนมโนยิทธิที่เขาปฏิบัติมโนยิทธิมโนภาพนั่นเองนึกถึงภาพเมื่อเรานึกถึงภาพว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยตกอยู่ในอบายภูมิอบายภูมิของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายหมูรสนะหมูเราก็เคยเห็นทางตา ควายมันก็ร้องอย่างไรบัวร้องอย่างไรเรียกว่าสัญญาก็คือเสียงนั่นเองสัตว์ต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์นรกก็เป่งเสียงต่างๆนานาตามสภาพแห่ ง, หงกรรมหมูก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไก่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ หมาก็เป็นลนักษณะรูปนามอย่างนี้เรานึกภาพได้หมดเพราะเราเคยเห็นทางตาแต่สัญลักษณ์ก็คือเสียงเสียงสัตว์แต่ละอย่างนั้นมีความแตกต่างกันไปมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ผู้ชายก็มีเสียงแบบนี้เรียกว่าสัญญาในการฟังเสียงสัญลักษณ์ของผู้ชายก็มีรูป เป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็มีรูปเป็นอย่างนี้แยกแยะด้วยเสียงก็เป็นไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายก็จะเป็นเสียงไม่เหมือนผู้หญิงเรียกว่าสมมุติทางนั้นสมมุติเนี่ยเปรียบเสมือนเราปรุงแต่งแล้วก็สร้างสรรค์เกิดมาเนี่ย ตามสภาพแห่งความสมมุติก็คือบาปนั่นเองบาปก็คือกรรมทำให้ความว้าวุ่นเกิดขึ้นตามสภาพที่นึกคิดปรุงแต่งตามรูปนามของอบายภูมิคือสัตว์เพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เหตุและผลในการเกิด ตามสภาพของกรรมเรียกว่าสัตว์นรกเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรายังไม่พูดถึงพูดถึงรูปนามแห่งกรรมตามสภาพแห่งกรรมช้างก็เกิดมามีกรรมเป็นรูปนามแห่งสัตว์มาวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีรูปนามแห่งสภาพแห่งกรรมมีสัญลักษณ์ก็เรียกว่าเสียง นักปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าสัญญาคือความรู้หมายจำเมื่อเราตามองเห็นเราก็หมายจำของรูปได้จึงเอามายึดติดยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สมมุติเกิดขึ้นในอารมณ์อารมณ์ของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าจุดติ ุติแปลว่าเกิดมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เลยสัตว์ต่างๆมันก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเหตุเป็นผลใดมันจึงเกิดมาเป็นช้างเป็นม้าอัวควาย นักปฏิบัติทั้งหลายอาจจะมึนงงเพราะอยู่ในอบัยูมเป็นภูมของสติปัญญาที่แยกแยะไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเรียกว่าสั ญ, ญลักษณ์แห่งหมายจำในความรู้เรียกว่าปัญญาการรู้เห็นของภพของชาติการรู้เห็นของอนิจจสัต ก็ได้มาจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรวจอนัยอนยอัยศสัตว์ตอนเช้าๆ้าอย่างเนี้ยอย่างที่เราบำเพ็ญเพียรอยู่ของผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ที่คุณสามารถมองไปในโรคต่างๆในภูมิพบต่างๆเนี่ยเรียกว่าไปพบเห็นสัญญาแห่งกรรม สัญญาเห็นความเป็นรูปเป็นนามตามสภาพของกรรมนั้นๆเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าอบายภูมิภูมิของสัตว์ก็จะต้องมีการจุติมีเหตุมีผลที่เกิดขึ้นจากที่ทํากรรมไม่ดีของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐก็คือมีสติปัญญาเหนือกว่า สัตว์อื่นๆใดๆเมื่อผู้มีสติสติคือมีความรู้ตัวรู้ตนเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวรู้ตนเลยว่าเราเกิดมาจากไหนเพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะจดจำหรือมีสัญญามีแต่สั ญ, ญลักษณ์ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วเกิดมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ เมื่อโตแล้วเขาก็ให้สอนว่าอันนี้คือพ่อก็คือเพศเพศผู้ชายอันนี้คือแม่คือเพศผู้หญิงโรคเด็กก็มีสัญญามีความผูกพันเรียกว่าพันทุกกรรมก่อนที่จะเกิดพันทุกกรรมเรียกว่าบุพกรรมพ่อและแม่จะต้องมีบุพกรรมต้องมาเจอะเจอกัน เมื่อเรามาเ จ, เจอความเป็นพ่อแม่สัญญาแห่งกรรมมาตัณหาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือเป็นมนุษย์ก็ค้นหาเรื่องของสัญญาแห่งความเสพก็คือกรรมมาตัณหากรรมตัวนี้ก็คือกรรมนั่นเองกอเอย๋ยกอกลามก็คือกรรม อันดับแรกก็คือกอไก่คือกรรมเมื่อกรรมมันเกิดขึ้นก็คือความกากกรรมที่เกิดขึ้นด้วยสัญญาแห่งกรรมเรียกว่าบุพกรรมบุบเนี่ยมันมีแต่ลอยเขาเรียกมีลอยมันไม่เรียบเมื่อมันมีลิ้วลอยที่บุบเนี่ยมันจะต้องมีการกระทบหรือกระแทก ในภาชนะที่มาถูกกระทบถูกกระแทกเรียกวันนิวรก็คืออารายอาวอนนั่นเองความอารายอาวอนของมนุษย์และสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นความอารายอาวอนของสัตว์เนี่ยมีระยะเวลาเหมือนกับแม่หมาแม่วัวแม่ควายแม่ช้างเนี่ย มีความผูกลัดพัดลัดเกี่ยวกันว่าท้องเนี่ยช้างเนี่ยท้องกี่เดือนมาวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันมีการท้องกี่เดือนเลี้ยงลูกกี่วันกี่เดือนกี่ปีสัญญาอันนั้นหมดไปเมื่อหมดปุ๊บมันก็ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้พี่รู้น้องแล้วสัญญาแห่งสัตว์นรก เรียกว่าอบายภูมิเป็นภูมิที่สั้นๆที่มีความจิตใต้สำนึกเหมือนกับมนุษย์ที่เขาบอกว่าเป็นคนสมาธิสั้นคนที่มีสมาธิสั้นเนี่ยมักจะฟุ้งซ่านจดจำอะไรไม่ค่อยได้แยกแยะอะไรไม่ออก ทั้งความดีความชั่วไม่รู้บวกรู้ลบก็เป็นคนที่อยู่ไปวันๆไม่รู้ตัวรู้ตนไม่รู้จากเหตุและผลเรียกว่าเป็นคนที่ตกอยู่ในอบายภูมิอ๋อคนที่มีสมาธิสัน้นคิดไม่ได้นึกไม่ออกของคุณงามความดี เรียกว่าสมาธิสัน้นและแยกแยะความดีชั่วไม่ได้บวกลบคูณหารก็ไม่คิดไม่ออกว่าสิ่งนี้มันเพิ่มหรือขาดทุนเรียกว่าตกอยู่ในอบายภูมิก็คือเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเป็นพระพิสุสง์มีสัญลักษณ์คือโกนหัวคำว่าโกนเนี่ย ขนก็คือผมเราเนี่ยมันมากที่สุดในตัวตนของเราเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยมันมากหลากหลายจากความสมมุสมมติทางตาตาก็เห็นเป็นรูปนามเป็นสั ญ, ญลักษณ์เห็นเสียงเป็นสั ญ, ญลักษณ์เมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยหญิงเห็นชายชายเห็นหญิง มีความแตกต่างสั ญ, ญลักษณ์ก็คือสัญญาแห่งกามมาลาคะก็คือตันหาคำว่าตันตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าไปต่อไม่ได้จะขึ้นนรกลงสวรรค์วนเวียนไปต่อไม่ได้ต้องไปพบผู้มีสติปัญญารู้พบรู้ภูมิก็คือองค์สมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าคุณของพระพุทธคุณของพระพุทธเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้อุปนิสัยอุปนิสัยก็หมายถึงว่าสันดานที่มีความเกี่ยวดองและมีความเกี่ยวเนื่องว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้นของคนและมนุษย์และสัตว์ ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยใดๆที่เราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยจากอปนิสัยที่เรามีสันดาณที่ยังไม่มีสติปัญญาอันบริสุทธิ์ไม่สามารถจะมองทะลุในภูมิพบได้จึงต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้ละความโลภก็คือความอยากได้ เรามีความอยากได้และไม่ได้ก็มีความโกรธตามมาเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความสอดคล้องและก็คล้องจองกันเป็นสั ญ, ญลักษณ์กันเรียกว่าเป็นสัญญาแห่งความดีเหมือนกับโซ่ทองคล้องคอที่เราชอบกันนักหนาว่าทองคำเนี่ยมันมีมูลค่า แต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นทองคำเนี่ยเรียกว่าทองปลอมเป็นขิงเป็นขา่าเป็นขีมิ้นเนี่ยมันก็มีสั ญ, ญลักษณ์กลิ่นและรสชาติเช่นเดียวกันมนุษย์เกิดมาเนี่ยก็มีสั ญ, ญลักษณ์ก็คือมีสัญญาแห่งกรรมก็จะต้องมากากรรมเรียกว่าบุพกรรมต้องเจอเจ อ, เจอหญิงเจอชายชายเจอหญิงเรียกว่าบุพกรรมต้องมี กรรมในการกระทบกระแทกกระทั่งก็คือกรรมชั่วหยาบและกรรมที่ไม่ชั่วหยาบที่จะเกี่ยวเนื่องก็คือตันหานั่นเองเมื <l acht> ่อถึงทางตันก็เวียนไหยตายเกิดผัดกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเวียนไหวตายเกิดทำกรรมชั่วก็ตกอยู่ในอบายภะผมก็เกิดไปเป็นสัตว์บ้าง สัตว์เดรัจฉานเช่นช้างม้าวัวควายเป็นเปตเปตก็มีลักษณะลักษณะเหมือนสัตว์เห็นไหมมนุษย์เนี่ยตกอยู่ในอบยัยวะผมก็ตกไปเป็นรูปนามแห่งกรรมเป็นรูปนามตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าหัวเป็นสัตว์เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นสัตว์ ก็คือรูปนามแห่งสัตว์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือมนุษย์นั่นเองอาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องจึงมีสัญญาผูกพันเกี่ยวเนื่องทางหู่างๆเมื่อพบเห็นเหมือนพระคุณเจ้าเจอหมาตัวหนึ่งก็มีสัญญาผูกพันรักเอาเก็บเอามาเลี้ยงเอามาอาบน้ํามาป้อนข้าวป้อนอาหาร อาจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นรูปเป็นเมียเราในพบหนึ่งชาติใดจึงมีอุปนิสัยเกี่ยวเนื่องกันจึงต้องมาเจะเจอกันเรียกว่าบุพกรรมต้องจะเจ อ, เจอวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องของความเกี่ยวเนื่องของสัญญาและเราจะพูดถึงสินแล้วก็จะพูดถึงสมาธิ เราจะพูดถึงปัญญาศินสมาธิปัญญาเรารักษาศินข้อที่หนึ่งทำไมจึงไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะสัญญาแห่งความเป็นรูปนามเนี่ยเราเคยเกี่ยวเนื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ากันมาผูกพยาบาทกันมาจึงมาจะเจอกันจะต้องมาเข็นมาฆ่าแม้นเป็นสัตว์เดลฉานเราเป็นมนุษย์ ยังต้องตามไปเข็นค่ากันเรียกว่าสัญญาแห่งกรรมที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ผลแล้วเราก็จะตัดใจไม่เข็นค่าไม่อาฆาตมาตร้ายซึ่งกันและกันค่าโดยการเ จ, เจตนาและไม่เจตนานักปฏิบัติทั้งหลาย นนั้นอาจจะปฏิบัติโดยความมานะทิฏฐิได้ฟังเขาพูดมาบ้างได้อ่านหนังสือบ้างได้เห็นได้ฟังมาแต่ท่านทั้งหลายโชคดีมากที่มาบวชมาประพฤติวัดปฏิบัติยังวัดเขาอิติสุกตโตได้มีสติมีปัญญารู้เห็นเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องเรียกว่าสัญญาคือความรู้หมายจำ นักปฏิบัติจะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันเรียกว่าพันธุกกรรมแล้วก็พันธนาการกรรมเมื่อเราไม่รู้จักเหตุผลเราจะแก้ชันใดกว่าชันนั้นคนว่ายน้ำไม่เป็นดันลงไปในน้ำก็ตายเท่านั้นเท่านั้นเองที่คนโบราณเขาเปรียบว่าสอนตะเคียนว่ายน้ำ ไอจอระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอเราก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันที่ทำไมเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเราไม่รู้เหตุรู้ผลก็งงก็เรียกว่างงตึบมึนตึบก็คืองโง่นั่นเองเด็กที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยจะต้องอยู่ในน้ำคล่ำของแม่จะต้องล่องลอยว่ายอยู่ในน้ำ หายใจทางสะดือก็คือหายใจพร้อมกับแม่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราก็คงเกิดไม่ได้มันก็เกี่ยวเนื่องถึงน้าอสุจินะเกี่ยวเนื่องกันไปก่อนที่จะเกี่ยวเนื่องของน้าตรงนี้เนี่ยมนุษย์ก็ไหว้น้ามาก่อนพอเกิดมาก็สอนไหว้น้าเรียกว่ากรรมมันมีความเกี่ยวเนื่องผูก แล้วก็ชี้นำให้เราไปตู่ตามสภาวะของกรรมก็คือกักกรรมนั้นๆเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าสอนตะเค่ไหวน้ำก็เปรียบเสมือนว่าไม่ต้องชี้ละกรรมนี่มันมาเกี่ยวเนื่องผูกพันเราอยู่แล้วเป็นสัญดานเราอยู่แล้วที่จะต้องเป็นสัญญาที่จะต้องมาผูกพันกันมาเกี่ยวเลาะลัดจะต้องมาเจอกัน นักปฏิบัติทั้งหลายก็คงเข้าใจในเหตุในปัจจัยที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ยังไม่เคยบอกอย่างนี้มาก่อนก็คิดว่าพรรษานี้ก็คงจะได้อัตโนตในการปฏิบัติแล้วก็จะได้นักปฏิบัติที่ดีเกิดขึ้นในวัดเราบ้างเพื่อจะได้เป็นทายาท ขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องหลุดพน้นจากอวัยะภูมิของเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานทำไมเขาจึงตั้งขึ้นว่าเปรตก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ว่าเปรตตัวมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไง ร, รูปนามมันเป็นยังไงสัญญามันเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งอกตั้งใจเนี่ยตั้งอกก็หมายถึงว่า ตั้งสติตั้งอกตั้งใจก็หมายถึงว่าจิตที่เราเคยฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็ข่มระงับโดยการอยู่องค์ภาวนาแล้วก็ฟังเสียงหลวงพ่อเป็นสัญลักษณ์ให้เกิดรู้เหตุรู้ผลเรียกว่าตั้งสติแล้วก็สตาร์ทเพื่อจะเข้าสู่สภาวะปัญญา ใครจะเห็นว่าหลวงพ่อนั้นตลกปกหาบ้าบ้าบ่าบาบาเป็นพระไปปลูกผักเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าวัวควายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีสัญญาให้เราได้พบได้เห็นเป็นรูปเป็นนามแห่งสภาพของกรรมนั้นๆแต่เราั้นโง่เงาโง่งงเขาเบาปัญญาไม่ได้แยกแยะหาเหตุหาผล ไปเดินจงกรมอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอกระทบผิวหนอลมมันมากระทบก็บอกว่ากระทบหนอสุขหนอทุกหนอเหยียบหนอยางหนอยืนหนอมันจะได้อะไรดำน้ำไปงมเข็มในมหาสมุทรถ้าเราไม่รู้จัก ที่มาที่ไปก็คือเหตุและผลเมื่อเราไม่รู้ตัวรู้ตนไม่มีเหตุมีผลจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีโดยสติปัญญาอันบริสุทธินั้นไม่ได้ก็เรียกว่าเลี้ยงควายกินควายเลี้ยงช้างกินช้างเห็นช้างตัวทัหมดก็คือความโกรธความโลภนั่นเองเมื่อเห็นช้างก็อยากได้ช้างมาเลี้ยงช้างมันกินวันละสามตัน มือระตันสามมือก็สามตันตันละพันกิโลเรากินข้าวเนี่ยสิบคำย0สิบคำก็อิ่มแล้วช้างมันกินต้องพ0 0กิโลแต่อยากได้ช้างมาเลี้ยงก็ต้องเหนื่อยมากเหมือนกับกีเรตเขาเปรียบเทียบความโกรธเนี่ยมองเห็นช้างตัวเท่าหมดเนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเล็กๆ เรื่องคิดผงนี่แหละมันทำให้เราโกรธมันทำให้เราเนี่ยมัวหมองทางใจเรื่องเล็กเล็กกายเป็นเรื่องใหญ่ของช่างมีกำลังมหาศาลเกิดความฟุ้งซ่านก็คือกินตั้งสามตันเข้าไปเพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายถือว่าโชคดีมหาศาลวันนี้ที่หลวงพ่อได้ขึ้นมาบอกกล่าวเรา เพียงจิบจิบจิบจิบ จ, จ้อยๆเล็กๆในน้อยเท่านั้นมันมีรายละเอียดมากกว่านี้ในโลกนี้เพราะนั้นคนที่บวชมาประพฤติปฏิบัติอิติสุกโตเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในห้าพระองค์เพราะนั้นวัดเขาอิติสุกโตเนี่ยชื่อไพเราะเสน่ะจับใจ ถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาว่าพระพุทธเจ้านี่มีห้าองค์มีใครบ้างชื่ออะไรบ้างตามภูมิตามพบของโลกเนี่ยแต่ละองค์ก็มีจริตก็คือมีสัญญาแห่งความชอบที่สอนมนุษย์เนี่ยต่างๆนา น, นากันไปแต่เราเกิดอยู่ในสมณะโคโดมองค์ที่ห้า จึงได้มีบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาและได้มาประพฤติมาปฏิบัติเป็นสมณะก็คือเป็นนักบวชก็ขออนุโมทนาในเช้าเอย่างนี้ที่จิตเป็นกุศลและอนุโมทนากับพระคุณเจ้าที่บาเพ็ญเพียรตั้งสติฟัง มีความรลุดพ้นมีความนึกคิดมีสติปัญญาก่อเกิดให้ได้เหตุและผลก็ต้องข อ, อนโมทนากับลูกเนนแม่ชีแม่พามที่มาประพฤติวัดปฏิบัติตนที่ดีไม่ขาดสติรู้ในสัญญาแห่งความกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องเสียใจกับพระที่นั่งหลับเนนที่นั่งหลับแม่ชีที่นั่งหลับ อุบาสกอุบาสิกาที่มาแล้วหลับหลับก็หมายถึงว่าเป็นกระสุนที่ด้านถ้าเป็นปืนก็ยิงไม่ออกยิงไม่ดังใช้ไม่ได้ประโยชน์มันดับศูนย์ไปหมายถึงว่าได้ยินเสียงของเป็นความเป็นกิเลส ท, ทำให้มัวหมองเนี่ยยินดีและพอใจ ในขณะที่ได้ยินเสียงของความเป็นสัจจะเรียกว่าความจริงเรียกว่าสั จ, จธรรมคนเหล่านี้เนี่ยก็มีวิบากกรรมในขณะที่ร้องรำทำเพลงไม่สาว่าไม่สามารถเมื่อยปวดและหลับลงได้แต่พอมาฟังธรรมของความเป็นละเอียดอ่อนคิดไม่ได้นึกไม่ออกมึนงงรับ เรียกว่าประตูสวรรค์เนี่ยมันปิดเลยเรียกว่าตัวปัญญาปิดความโง่เขลาเนี่ยมันปิดปิดสนิททาให้เราหลับลงไม่รับรู้นั่นเองเรียกว่าตันล ะ, ะเพราะฉะนั้นชาวๆอย่างนี้ก็ค่อยๆถอนสมาธิหายใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้กรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับ ตัวของเราเองเมตตาแผ่เมตาเมตาให้กับบิดาให้กับครูบาอาจารย์รวมทั้งเหลา่าทวยเทพเทวดาและเจ้ากรรมในเวรถึงสาราสัตว์และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใช่ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีก็จะได้อานิสงส์ของการบําเพ็ญเพียรภาวนาในวันนี้แล้วก็จะได้อานิสงส์ของจิตที่เป็นกุศล ที่จะได้แผ่เมตตายังกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวตนให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นในชาติชาวยางนี้นิมนต์ครับ